ฟังอ <łość> ่อยก็คงจะเบื่อวันไหนก็พูดธรรมะธรรมะอยู่เรื่อยวันนี้นานๆฟังก็ไม่ค่อยจะเบื่อเท่าไรแต่ตัยส่วนใหญ่ถ้าวันมีการหิวการต่องการในธรรมะการฟังธรรมะก็มีรสชาติดีหาเราในต่องการพอเอือยขึ้นมันก็หงอกหูเบื่อหู เหมือนถาดกันของเราถ่มันหิวพอมีอาหารมารับทานมันก็รสชาติมันดีถาดมันรับอาหารก็อร่อยอร่อยเรื่องผูดธรรมะก็เหมือนกันยิ่งไปเรื่อยๆในสถานที่ต่างๆนานๆพอมาพบครูอาจารย์ผูดธรรมะรู้สึกว่ามีรสชาติมาก เข้าไปถึงจิตถึงใจดีถต่อยู่เก็บทอยู่เรื่อยๆได้ยินอยูอยอยอย่บ่อยๆมันก็เป็นอีกอย่างีมหมายถึงฟังธรรมะจากปากคำข อ, ของคนอื่นคืยังห่างจากธรรมะจิตไม่จิตในเรื่องของธรรมะ <c oughs> <c oughs> ไม่ค่อยได้ผลประโยชน์ดี แต่ภูี่ท่านมีความเพียนในตัวของท่านมีธรรมะในตัวของท่านทุกระยะเวลาที่เจรนาธรรมะเป็นส่วนอยู่ของท่านแบบนั้นก็คนอื่นเอ่ยขึ้นถ้าเข้าหลักเพียนที่เรากำลังที่นี้พี่เจรนาอยู่รู้สึกว่ามันจดจอ่อต่างหน้าต่างตาฟังวิจัยวิจาร ความคิดความเห็นของครูของอาจารย์สีทกันแสดงไปถ้าพูดต่ำกว่านั้นที่เราเคยปฏิบัติผ่านมาที่เจนะรู้ถ่วถึงแล้วนั่นก็ไม่เคยจะมีรสชาเท่าไรยิ่งกันพูดสูงขึ้นไปที่เรายังไม่เห็นในเต็นในใจเราก็ตั้งหน้าฟังเพื่อจดจาเอาไว้มีเรื่องการฟังธรรมะ จากปากคาของคนอื่นแต่ความจริงการจํามาการฟังมาก็ทำให้เกิดศรัทธาในจิตในใจเชื่อในธรรมะที่กันพูดออกไปแล้วก็จะมีจิตในใจปรับปรุงตัวเองเพื่อความเสียนเพื่อเป็นธรรมะอย่างที่ตันรู้ตันเห็นนำมาแสดงแก่ตัว เพราะท่านที่นำธรรมะมาแสดงแกเรานั้นท่านก็ไม่ใสผู้วิเศษวิโสอะไรท่านก็เป็นคนเหมือนกันกันกบเราไม่มีอะไรผิดแปกแตก ต, ต, ต่างกันรูปร่างหน้าตาหูดถึงขาดขันว่าอันหนึ่งอันเดียวกันแต่ทําไมท่านถึงไปรู้ธรรมะเห็นธรรมะเข้าใจธรรมะแกไขกิเลสตัณหามานะทิฏฐิ สิ่งที่ช่วเสียต่างๆออกไปจากกายลายจากใจของทันดะเมื่อเรามาคิดนีจเจริญนาเรื่องของท่านว่าเป็นคนเหมือนกันตัวของเราก็เป็นคนไม่มีเขามีหางทำไมเราถึงจะประพฤติปฏิบัติอย่างท่านไม่ได้มันก็มีจิตมีใจอยากจะกระทำบําเพ็ญให้เห็นให้รู้เพราะธรรมะนั้นเป็นสิ่งที่เย็น เป็นสิ่งที่สงบเป็นสิ่งที่สัตว์ทั่วไปไม่ว่ามนุษย์หรือเทวะบุตรเทวดาตลอดสัตว์ทิลไฉานชอบยินดีเพราะธรรมะถ้ามีอยู่ในบุคคลคนใดหรืออยู่ในสัตว์ตัวใดก็เป็นที่ชอบอกชอบใจของคนอื่นสัตว์อื่นธรรมะเข้าไปสู่ กายสู่ใจของคนใดคนนั้นก็ปลอดภัยจากเรียน ร, รมต่างๆมีเรื่องของธรรมะฉะนั้นธรรมะที่เราจะหาได้จะเข้าใจรู้เห็นเงพาะการกระทำรรมบำเพ็ญของเราที่เจนนาดูอยู่ภายในอย่าส่งใจออกไปภายนอก ธรรมะมันอยู่ในไน่ไอยู่นอกถ้าเรายังไม่ฉลาดส่งออกนอกเท่าไรก็จะทำให้เรายุ่งเยิงหลุ่มหลงเลื่อยไปมาส่งเข้ามาภายในจนฉลาดในตัวพอแล้ว้างนอกเราออกไปก็่าจมีการหลงไหลไม่มีการหารยุ่งเยิงพอออกไปทางนอก มันก็เหมือนกันกับอยู่ข้างในนี่คือผู้ที่มีใจเป็นธรรมะเบื้องต้นจึงควรสอนตนให้กำหนดลงไปภายในใจของตัวใจที่เคยปุ่งปุงจิดนึกต่างๆด้วยอารมณ์สัญญาในยัฏยุให้จิตให้ปรุงให้ยุ่งให้เกี่ยวตลอด วันตลอดเวลาไมใเคยสงบเย็นให้เมื่อใจเราเป็นแบบนั้นมันก่อเห็นอันนี้สงของความสงบเย็นว่ามันมีความสุขความสบายแค่ไหนก็เลยเห็นการยุ่งเกี่ยวกับสัญญาอารมณ์นั้นนั้นว่าเป็นความสุขความสบายไม่ได้สนใจกับความพักผ่อน ความสงบของจิตเมื่อคูกวีดปฏิบัติได้รับอัจธรรมจากครูจากอาจารย์มาฝึกอบรมตัวของตัวกำหนดลงไปอย่าห้ใจไปเกี่ยวเกาะกับเรื่องอันอื่นจะพิจารณาอะไรจะกำหนดบทบริกรรมอะไรก็ตั้งใจกำหนดอยู่นั้นจนจิตใจรวมลงไป หรือจนเจ็ดใจเห็นสิ่งที่ตัวเพ่งอยู่ในกายนั้นชัดเจนไปจับแล้วจิตสงบนิ่งหายจากความลุ่มหลงที่เคยลุ่มหลงมาก่อน <c oughs> คิดอ่านอะไรในสิ่งที่ยังไม่เห็นไม่รู้มันก็ซึมซาบไป พอมันจุดที่หนึ่งแล้วมันก็ไหม้เลื่อยไปเหมือนไฟที่มีเชื้ออยู่ที่ไหนมันก็ไหม้เลื่อยไปการที่เจรณาทำในกายในใจของเราก็ทํานองเดียวกันขอให้จับจุดใดจุดหนึ่งให้ได้ก่อนแล้วมันจะติดตามไปเองเรื่องต่างๆถึ่งเคยข้องจิตคิตก้งยุงเกี่ยวทำนั้นตาม ดูอาจารย์ท่านนะ ส, สอนก็คือรูปปรธรรมนามธรรมรูปปรธรรมก็หมายถึงรูปที่เรามองเห็นโดยตาเป็นของหยาดซึ่งมีอยู่ทั่วไปแต่ท่านให้ดูเฉพาะคือดูที่กายของตัวก่อนนามธรรมนั้นหมายถึงสิ่งที่รู้แต่มองไม่เห็นเป็นตนว่าสุขทุกข์เรียกว่าเวทนาความ จำได้หมายรู้ต่างๆทางตำราเรียกว่าสัญญาความปรุงคิดเรียกว่าสังขารความรับรู้สิ่งต่างๆจากตาหูตลอดถึงรู้อารมณ์ทางใจทางเรียกว่าวิญญาณมีหมายถึงนามธรรมา ท, ำทำทั้งสองอย่างนี้แหละจะให้คนผู้พินตพิเจนาคนผู้ศึกษารู้เข้าใจ ขนาชัดเจนแล้วไม่หลงติดของในสิ่งเหล่านั้นจะทำตัวให้ปลอดภัยจากโกโกรธหลงไปได้เพราะความโกความโกรธความหลงนั้นเนื่องจากพวกเราท่านไม่มีอัตธรรมไม่เข้าใจในสิ่งต่างๆตามเป็นจริงของมันจึงเกิดสิ่งเหล่านั้นขึ้นเผาตัวของตัว ถ้าหารู้เข้าใจไปจากษชัดเจนในอดในธรรมไม่ว่ารูปวัตธรรมหรือนา ม, มธรรมแล้วเรื่องต่างต่างเหล่านี้มันก็ตกไปหมดไปเพราะใจเป็นผูกชอบใจเป็นผูกจิตใจเป็นผูกโศกู้โลภผูหลงไม่ใช่เรื่องของกายเรื่องของกายนั้นปกติไม่ว่าสมัยตปัจจุบัน เรื่องอดีตที่ผ่านมาเรื่องอนาคตต่อไปมันไม่มีความหมายอะไรสําหรับกายความหมายมันอยู่จีตใจกายนั้นถ้าไม่มีใจอยู่ภายในแล้วมันไม่มีความหมายจะเป็นหญิ่งกว่าตามเป็นชายกว่าตามเป็นนักบวชกว่าตามเป็นฆราวาสกว่ า, าตามกายนั้นหน้าที่ของมันเป็นอย่างไรมันก็เป็นไปตามหน้าที่ของมัน ใครจะยึดมัน่นถือมัน่นมันก็เป็นไปอยู่อย่างนั้นใครจะปล่อยวางมันมันก็เป็นไปอยู่ตามนาทีของมันแต่ความรลุมหลงของใจเป็นเรื่องสาคัญที่พวกเรานักปฏิบัติจะควรืบรู้แล้วแก้ไขใจของตัวจิตจิตปรุงยุงเจียวกับเรื่องรูเรื่องนามต่างๆนี่คือการปฏิบัติปฏิบัติอยู่ภายใน ดูแลอยู่ภายในทาจิตทาใจทองตัวให้สงบให้ผ่องใสในทาใจให้ฝุง่งุงยุ่งเกี่ยวแล้วขุ่นมัวเหลือร้อนถ้าพี้ใจนาถูกในเรื่องของธรรมะกว่านับวันนับเวลาที่จะแก้ไขจิตใจที่ชั่วเสียต่างๆตกออกไป สิ่งที่เราเคยก็เกี่ยวยึดถือว่าอย่างนั้นอย่างนี้ดีชั่วถ้าหากเราระพฤติปฏิบัติถูกต้องตามอาัตธรรมสิ่งเหล่านั้นมันตกมันหล่นออกไปไม่สามารถที่จะอยู่ในวงของอัตของธรรมได้เพราะสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่เกี่ยวแฝง ทางศาสนาถือว่าเป็นกิเลสไม่ใช่ความจริงของจิตของใจแต่นั้นการชำระกิเลสจริงจังที่นี่ที่เจนาโคมมาภายในสังเกต ด, ดูจิตใจของตัวมันคิตทุงยุ่งเกี่ยวกับอะไรไรยะที่เรานั่งฟังทมอยู่นี้ ให้ถือว่าเป็นโอกาสเวลาเหมาะดีสำหรับฝึกภาวนาเพราะเรื่องอื่นที่เราเคยผ่านมาหรือยังไม่ถึงเราก็ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับมันเพราะเราไม่มีหน้าที่ที่จะไปทําไปคิดกับเรื่องเหล่านั้นจะตั้งจิตอยู่ในวงของอัดของทาท่านแสดงอะไร จะให้ทำแสดงธรรมนั้นเข้าไปสัมผัสกับใจเพื่อใจจะได้ส่องใสใจจะได้สงบนี่คือวิธีฟังธรรมภาวนาไปในตัวเมื่อเราตังจิตถูกพิจนารณาถูกจิตของเราในระยะที่ฟังนั้นมันจะมีความสงบมีความสุขความเย็นหรือถ้าหาา เป็นขั้นที่จเจริญปัญญาเป็นขั้นที่ท่านเรียกว่าวิปัสสนาก่อนสามารถที่จะที่จรณาะตามธรรมะที่ท่านปูดไปขับไล่ความงใสงสัยให้ตกหลนออกไปสมัยพุทธกาลการฟังธรรมถือเป็นเรื่องจำเป็น และเห็นคุณค่าของการฟังธรรมมากมายเพราะสมัยนั้นไม่เหมือนสมัยปัจจุบันธรรมะเพิ่งเกิดขึ้นใหม่ๆยังไม่มีใครนำมาแสดงกันมากมายเหมือนสมัยปัจจุบันการได้ยินได้ฟังธรรมะจึงถือว่าเป็นโชคลาีอันสาคัญแล้วก็ตั้งใจ กำหนดที่นที่จรนาตามหญิงพระพุทธเจ้าจแสดงผู้ฟังจำนวนมากเป็นบางการบางเวลาแต่ก่อตามอัธยาศัยตามบุญบารมีของแต่ละท่านผู้ฟังนั้นบางท่านบางคนก็สามารถผ่านพ้นไปจากกิเลสตัณหาเป็นโซดาสกิาทาคาอนาคาอรหันไปได้ บางคนก็ถึงไาใจสนคมหรือเลื่อมใสอยู่ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทั้งัองสี่ธรรมะออกจากพระโอษของพระองค์อย่างเดียวกันถู้ฟังก็เอาหูเอาใจเอาหูฟังเอาใจคิดเหมือนกันแต่อำนาจของสติปัญญาไม่เหมือนกันเหตุ น, นั้นจึงมีลักลันต่ำสูงติดกัน ผู้ศรีมีสติปัญญามากกวาสามารถที่จะทิ้งนิพพจานาไปได้มากจนขับไล่ที่เล็ดออกจากใจหมดไปผู้ศรีมีสติปัญญาน้อยกวาตามขันตามภูมิของตนฉังนั้นการฟังธรรมะสมัยพุทธกาลตามตำนานที่สันตล่าวเอาไว้ว่ามีการสําเร็จนักผลกันจํานวนมากมากแต่สมัยปัจจุบัน การฟังธรรมะนั้นถือว่าฟังเป็นอุปนิสัยฟังเป็นพิธีไม่ได้ถือว่าจะฟังไปแก่ไขฟังไปปฏิบัติกายใจของตนเพื่อข้ามพ้นจากวัฏจะเพราะทุกคนยังห่วงยังหวงเรื่องวัฏจะเรื่องกิเลสตัณหาอยู่มากวาระจิตคิดที่จะหนี จากโลกจากสงสารมีน้อยเต็มทีแต่ว่าไรจิตคิดตรงอยากจะอยู่กับโลกมันมากนี่หมายถึงมนุษย์ทั่วไปมักอยากเป็นอย่างนั้นถ้าหากมีผู้วิเศษนำภาหนะอันวิเศษมาใช้พร้อมที่จะไปนิพพานมามาขึ้นเดี๋ยวนี้ฉันจะพาไปนิพพาน พวกเรานั่งอยู่ในศาลานี้คงมีน้อยคนว่ายังไม่ได้สั่งเสียอันนั้นยังไม่ได้สั่งเสียอันนี้รอ ก, ก่อนจะบอกคนนั้นจะสั่งคนนี้เช่นก่อนเึื่อจะไปถ้ามีผู้วิเศษมาช่วยเอาไปชวนเอาไปในขณะปัจจุบันกคงจะไปกันน้อยเต็มทีหรือจะไม่มีใครไปก็อาจเป็นได้เพราะ ย, นนยังห่วงอันนั้นยังห่วงอันนี้ มีหมายเพี้นจิตของพวกเราธรรมดามันยังห่วงยังยุ่งอยู่ในวัฏจัสงสารเป็นส่วนใหญ่ไม่ได้เบื่อหน่ายในการเกิดการตายของตัวมันยังติดยังข้องยังยินดีเต็มใจถึงทุกข์ลำบากยากยุ่งขนาดไหนมันก็ยังหลงไหลไฟฝันไมวันใดกว่าวันหนึ่งจะนีสุขมันเลยคิดได้ปรุงไปแบบนั้นแต่ความจริง โลกอันนี้ก็มีสุขอยู่พอสมควรสักถั่วไปจริงหลงไหลจริงจิตค้่องถ้าหากมันมีทุกโดยถ่ายเดียวแล้วก็ไม่มีใครที่จะอยากอยู่อยากอาศัยแต่สุขที่เราประสบพบกันนั้นมันเป็นความสุขที่จะติดตามเข้าไปหาทุกไม่ใช่สุขที่ปลอดภัย เราอยู่เดี๋ยวนี้มีความสุขเพราะโรคไัยไม่เบียดเบียนตลอดถึงการกินดื่มเราก็ไม่หิวกระหายอะไรเจีงนั่งอยู่ได้สะดวกสบายถ้าหากมันหิวห่วยขึ้นมาหรือโครคไัยเบียดเบียนหนักเข้าเราก็อยู่ไม่ได้จะแสดงอากัจรจิตยาต่างๆนานานาถึงอยู่ได้กกวนกระวายทางจิตทางใจ นี่หมายถึงความทุกข์มันระดังหน้าอยู่ทุกการทุกเวลาเราอยู่สบายก็ไม่ใช่ไหวจะสบายเลื่อยไผความเจ็บไข้หรือความตายมันไล่ติดตามมาเหมือนเงาตามตัวไม่ทราบว่าวันใดมันจะมาถึงยึงจังเขา้าเมื่อมันมาถึงเขา้าความสุขที่เราเคยลุมหลง ว่ามันดีมันวิเศษอย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้นว่าเราหลงในวัตถุเข้าของที่เคยแสวงหามาจำนวนเท่านั้นจำนวนเท่านี้ฉันมีฉันรวยแต่เมื่อความทุกข์ทรมานทางธากุขันมันจะแตกจะสลายจริงจังเข้าของเงินทองถึงจะมากองถ่วม หัวของเราเอาไว้มันก็ไม่มีอะไรที่จะทำโรคภัยให้หายไปทำใจให้เย็นให้สงบเมื่อเวลามันเป็นอย่างนั้นมันทุกข์มันลาบากคิดไปหาอะไรซึ่งเราเคยเพลิดเพลินว่าอันนั้นมันดีอันนี่มันวิเศษมันก็ไม่เกิดผลเกิดประโยชน์ให้มันเบื่อมันน่าย พะมันเจ็บมันจะตายมันไม่มีอะไรเป็นความสุขความสบายให้นี่คือใจที่ติดอยู่กับวัตถุติดอยู่กับโลกแต่จิตใจที่มีอาจมีธรรมไม่เป็นอย่างนั้นเพราะท่านมีสติมีปัญญาสามารถพิจารณาของต่างๆที่หามาได้ที่พักที่อาศัยอยู่มาตลอดถึงปัจจุบัน ที่มีโรคไข้เหยียดเบียนท่านหนักท่านถือว่าเรื่องเหล่านั้นเป็นปัจจัยเครื่องอาศัยไม่ใช่เป็นเราเป็นของของเราเรื่องธาตุขันมันเป็นมาอย่างไรมันก็เป็นไปอย่างนั้นมันไม่มีอะไรที่จะห้ามกั้นมันได้คนรู้มันก็เป็นอยู่อย่างนี้คนหลงมันก็เป็นอยู่อย่างนี้หน้าที่ของมัน มันเป็นไปตามหน้าที่ของมันเราจะไปลุ่มหลงอะไรกันอีกไม่ว่ารูปไม่ว่าเวทนาสัญญาสังขารยินญาณเคยที่นิพพยานาตามกำลังปัญญาว่าเป็นอนิจจังเป็นอนาาัตตาถ้าหากหลงเมื่ อ, อไรทุกขังก็เกิดขึ้นใหน้พอหลงในรูปในานามนั้นนั้นเคยที่เจนาเต็มสติปัญญามาแล้ว เวทนาหน้าไหนก็เป็นเวทนานั่นแหละมันไม่ใช่อะไรอื่นมันจะไปถึงไหนจุดหมายปลายทางของมันก็เคยพิจารนามาแล้วเข้าใจชัดเจนเห็นไปจากทุกอย่างเรื่องมันจะแตกจะดับไปนั้นก็เป็นสมมุติของโลกความจริงธาทั้งสี่หรือธาตทั้งหกไม่ว่า ธาตุดินถาตน้ําาตุไฟถาตลมอากาศวิญญาณสิ่งเหล่านี้มันไม่แฉลบสลายไปที่ไหนมีแต่สมมุติที่ถือกันเท่านั้นมันรวมกันอยู่มันก็เวลาหมดเหลื่องของมันมันก็ไปตาหนา้าฉีดของมันดินน้ําลมไฟมันก็ไปเป็นดินเป็นน้ําเป็นลมเป็นไฟเป็นอากาศเป็นวิญญาณของมันอยู่อย่างนั้น แต่เราห่วงเราห่วงเรายึดเราถือว่าเราอ่ะของของเราไม่อยากจะให้เขาเป็นอย่างนั้นเรื่องของธาตุขันมันเป็นไปอย่างนั้นโรคภัยมันเบียดเบียนได้แต่กิเลสความหลุ่มหลงท้องใจถ้าคนหลุ่มหลวงมันก็เบียดเบียนอีกทุกทั้งทางกายจากโรคภัยภายนอกเขาเบียดเบียนทุกทั้งทางใจที่แก้ไขตัวไม่ได้เพราะยึดเพราถือ เลยหนักเป็นสองทุกข์เข้าไปไม่มีอะไรที่จะสุขจะสบายให้นี่คือใจหลงใจไม่มีธรรมแต่ใจมีธรรมถึงเรื่องเหล่านี้จะเป็นไปตามหนากจิตของมันเหมือน ก, นกันกับคนที่ไม่เคยผัวพืชปฏิบัติผู้ผัวพืชปฏิบัติก็มีแกฉมีจิตมีใจเหมือนกันแต่ท่านไม่หวั่นไหวท่านไม่ได้เสียใจท่าน มีความสุขความสงบภายในของท่านถึงหลางกายจะแปรปวนแตกสลายท่านก็ทราบดีว่าเรื่องเหล่านี้หน้าที่ของมันเป็นอย่างนั้นแต่จิตใจของเรานั้นมันเห้หันหวั่นไหวหรือไม่ถ้ามันยังหวั่นไหวยังหลงไหลยึดถือก็ได้เชื่อว่า เรายังไม่พอในการอบรมจิตใจพ่อตัวไม่รู้ไม่เข้าใจความเป็นจริงของถาดของขันตามเป็นจริงของมันใจจึงหวั่นไหวอย่างนี้ถ้าหารู้ดีเข้าใจดีไม่มีการหวั่นไหวถาดขันเป็นอย่างไรก็เพียงเป็นคนดูเท่านั้นผู้ดูไม่ได้เป็นไปตามเรื่องของถาดของขัน จึงทราบได้ดีว่าถาดขันนี้มันเกิดขึ้นมาจากอะไรมั่งก่อไปตามนาทิของมันเป็นอันนั้นในที่สุดผู้ไปรู้ไม่ได้อยู่ในถาดในขันถาดขันไม่ใช่ผู้ไปรู้ไปเข้าใจอย่างนั้นขันจึงสงบเย็นอยู่ไม่มีคิดไถในจิตในใจของขันนี่คืออานิสงของการประพฤตปฏิบัติตามอาจธรรมที่พระพุทธเจ้าแนะนใคร ประพฤติปฏิบัติได้ไม่ว่าตายไม่ว่าเป็นมีความเย็นมีความสงบไม่ตื่นเต้นหลงไหลไม่มีอะไรที่จะมาอยู่อายุจิตใจของท่านให้ปวนฝันเดือดร้อนวุ่นวายแต่พวกเราท่านยังไม่เป็นถึงขนาดนั้นก็ต้องอาศัยการการทำบำเพ็ญนำไปทีนิตที่เจรนา แก้ไขจิตใจที่หลงไหลยึดถือติดข้องต่างๆคนที่ที่นี้พิจารณาทำอยู่สม่ำเสมอคนนั้นจะมีวันมีเวลาแก้ไขกิเลสตัณหาของตัวให้เบาบางไปได้คนที่ไม่เลยที่นี้พิจารณาออเอาเสียเลยพออะไรเกิดขึ้นก็ตื่นเช่นตกใจ เดือดร้อนวุ่นวายไม่มีความสุขความสบายเอาเลย <c oughs> จงพากันที่นิพพานาศึกษาธรรมะก็คือรูปปัรตมนามธรรมไม่ว่า ร, ร, วรูปภายในได้แจ่ตัวของเราหรือรูปภายนอกนามก็ไม่ว่านามภายในหรือนามภายนอกมันเหมือนกันหมดเมื่อศึกษา สิงเหล่านี้ให้เข้าใจดีเท่านั้นทางศาสนาหรือผู้ศึกษาทั่วไปท่านถือว่าโลกกวิถูรู้แจ้งโลกไม่มีอะไรติดบงังอำพัางไม่ต้องไปเที่ยวรอบทุกสถานที่ทุกแห่งทุกคนทุกประเทศแต่ก็เข้าใจชัดเจนในเรื่องของโลก โลกอันนี้ก็มีรูปกับนามเท่านั้นรูปนามของเราเป็นอย่างไรรูปนามของคนอื่นชัติอื่นอดีตอนาคตก็เหมือนกันหมดกับปัจจุบันไม่ว่าอยู่มุมใดคิดใดทางใดมันเหมือนกันมันไม่มีอะไรที่จะทําให้จิตใจลุ่มหลงเพราะรู้รูปนามของตัวทั่วถึงฉะนั้น เรื่องการศึกษาธรรมการปฏิบัติธรรมการกำหนดธรรมจริงควรกำหนดอยู่ภายในคือดูกายดูใจของตัวถี่มันไปหลุ่มหลงยุ่งเกี่ยวยึดถือต่างๆนานานั้นเพราะความในเข้าใจในอจในธรรมตามเป็นจริงของมันทั้งๆสิ่งเหล่านั้นเขาไม่รู้อิหนอิเนอะไรกับเราเราไปรักเขาไปยินดีกับเขาไปเกลียดเขา แล้วก็เกิดทุกข์เขาเหล่านั้นเขาไม่ใช่สอบอะไรกับเราไม่ว่ารูปกว่านา้ำมันเป็นจริงอยู่ตามเรื่องของมันแต่เราไปยุดไปถือไปเกี่ยวไปคว้างว่าเป็นของของเรามันเลยเกิดทุกข์เกิดร้อนเพราะความไม่สมหวัง เพราะสิ่งเห่านั้นมันเป็นอนิจจังคือแปรปวนไปตามสภาพของมั น, มนแปรไหนะอะไรมาแต่เราไปห้ามกั้นเอาไว้ไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นเมื่อมันไม่ฟังเสียงของเราเราก็าเสียใจเดือร้อนเพราะม่สมความปรารถนาของคนมันก็ไม่มากอะไรเรื่องใจทีจะแกะไขแต่ที่เจอนะธรรมะไม่มาก หากพิจารณาจุดของธรรมะจริงจังแต่ฝูดถึงสาขา <c oughs> ของธรรมะแต่แสงของธรรมะมันก็มากเหมือนไฟแสงมันกว้างออกไปยิ่งแรงเทียนมากเท่าไรมันก็ยิ่งสว่างออกไปไกลเท่านั้นแต่ความจริงมันสว่างออกไปจากหลอดของมันจากหัวเทียนของมันจะเป็น ถูดถึงแสงสว่างมันมากมีความรู้ความหลงของใจก็ทานองเดียวกันมันเกิดขึ้นจากภายในเกิดขึ้นจากจิตจิตไปจิตไปตรงเท่านั้นแต่เรื่องของมันมันมากพารณาเท่าไรก็ไม่หมดแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์นั้นเพียงนิดหน่อยไม่ถ่วถึงมันมีมากจิตของแต่ละบุคคล ความคิดปรุงของจิตถ้าหากเราจะเขียนเอาไว้พิมพ์เอาไว้แต่ละบุคคลแต่ละวี่แต่ละวันมันนับไม่ได้มันไม่เคยนิ่งเคยเฉยมันคิดมันปรุงอยู่อย่างนั้นอันนั้นมันคิดมากดเขียนเอาเขียนเอาเขียนเอ า, เเอามันไม่มีกระดาษที่จะเขียนไม่มีหมึกจะพอเขียนมันมากจอมากแต่มันก็ผ่านไปผ่านไป ตามเหลี่ยงของมันถ้าหากทุกสิ่งทุกอย่างเราถือว่ามันเป็นอ น, นิจจังอย่างนั้นเราไม่ได้ยึดมั่นแก้ไขด้วยสติด้วยปัญญาเมื่อมีอะไรมาสัมผัสเกี่ยวข้องกับใจมาทําใจโดนใจของเราจะเป็นทางชอบกว่าดีทางเหยียดทางกว่าดีให้มีปัญญาแก้ไขว่าสิ่งเหล่านี้ มันมีประจำโลกมันมีมาแต่ไหนแต่ไรเราไม่เห็นเราไม่ได้ยินมันก็มีอยู่พอเห็นพอได้ยินเข้าทําไมเราไปห่อไปหิ่วเอามาทับผมตัวของเราฉลาดเราหรือจึงไปเอาสิ่งที่เน่าที่เน้นที่ไม่เป็นซะมาทับผมตัวของตัวมีสติสอนตัวมีปัญญาสอนตัวพิจ้นาน่ะสิ่งนั้นนั้น ให้มันตกไปหลุดไปจากใจของตัวใจของตัวถึงอยู่ในโลกก็ไม่ได้เปลี่ยนเปิดโดยโลกอยู่ในวงของกิเลสกิเลสก็ไม่ได้มาทับถมโจมตีพระพุทธเจ้าืออริยาสาวกท่านอยู่สะดวกสบายเย็นกายเย็นใจปลอดเท่าท่านมีสติปัญญาขับไล่อารมณ์ตัญญาสิเลตัญหาออกจากใจ ท่านก็เป็นมนุษย์เหมือนกันกับเราไม่มีอะไรที่จะผิดแตกแตกต่างจากเรานอกจากสตินอกจากปัญญานอกจากธรรมะในใจส่วนอื่นเหมือนกันหมดแต่นั้นเราทุกคนก็พร้อมไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องในตัวของเราเรื่องกิเลสตัณหาที่จะละมันก็มีอยู่ในจิตของเราเรื่องสําระเรื่องจะ ตัดเหลื่องกิเลสจันหาสติปัญญาศรัทธาความเพียนมันต็มีในเราเองไม่ใช่คนอื่นจะหามาให้พอให้ต่างใจกำหนดต่างใจที่นิธจจนาสระสะสางใจที่เคยยุ่งเหยิงวุ่นวายเดือดร้อนจะเป็นใจที่สงบเยือกเย็น ถ้าเรารเพื่อปฏิบัติตามอาัตตามธรรมของพระพุทธเจ้าเราจะเห็นอั น, น้สงในตัวของตัวเองเป็นสันติที่โกเห็นเองทำของพระพุทธเจ้าไม่ว่าสมัยพระพุทธองค์ยังทรงพระสนอยู่หรือหลวงรัดดับขันไปความสุขความทุกข์ความดีความชั่วความจุ่งรงความสงบ ผู้กระทำบำทําเพ็ญจะต้องเห็นต้องรู้เป็นสันทิตฐิโกอยู่ในจิตทุกคนไปอาจาลิโกไม่มีการมีสมัยหากประพฤติปฏิบัติในทางดีผลความดีก็เกิดขึ้นให้ประพฤติไปในทางชั่วคิดไปในทางชั่วพูกไปในทางชั่วความชั่วไม่ว่าสมัยพุทธกาล หรสมัยปัจจุบันหรืออนาคตยังไม่ถึงก็ทํานองเดียวกันความชั่วเท่านั้นจะเป็นผลตอบแนทนผู้ที่ทาชั่วผู้ชั่วที่ชั่วทำจึงเรียกว่ า, าการดีโก้คือไม่มีการมีเวลาเราจะทําจิตทําใจของเราให้สงบเย็นการใดเวลาใดเราก็พอทําได้ไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้ามีอยู่ จึงจะทําได้พระพุทธเจ้าปรินนี้ผ่านไปทําไม่ได้เกิดแจ่เจ็บตายหรือกิเลสตัณหาพระพุทธเจ้าปรินนี้ผานไปแล้วกิเลสตัณหาของเราทําไมไม่ตกออกไปไมนป ร, ริจุบันนี้ผ่านในดับไปเหมือนพระพุทธเจ้าเมื่อมันยังมีอยู่ที่ไหนเป็นขา้าศึกของใจทําใจให้ไฟฝันเดือดร้อนพอควรแล้วที่ทุกคน จะนำมาสนใจที่เจริญนาแก่ไขถ้าหากรักตัวสงวนตัวหาความสุขให้ตัวเป็นคนฉลาดนี่ไม่เป็นอย่างนั้นก่อป่วยเจ็บเอาสิ่งที่ชั่วที่เสียมาเผาตัวเองแล้วก็บ่นเถอะวะทุกข์ว่ะเดือดร้อนอย่างนั้นอย่างนี้ก็เพราะตัวชั่วตัวเสียตัวไม่ฉลาด จะหาเก็บเอาของเนา่าของเหม็นของเป็นทิ่เป็นภัยมาบริโภคมาใช้มันเกิเกดเนา่าเกิดเหม็นเกิดร้อนรนกับวนกับวายอย่างนั้นถ่าคนฉลาดของที่ไหนมีคุณค่าระก็ควรผ่านไปขิ้ง ไ, ไปต่อยไปอย่าไปกรอบไปกวยไปหอบไปหิว้วของที่ไหนมีคุณค่าซะ ให้หนักบ่านักมือตัวเองไอ้เนี้ยสอนทินิพิแรนากำหนดธรรมะของพระพุทธเจ้าเอาไว้เหมือนกันกับเรามีไฟไปในที่มืดต้องอาศัยไฟไฟจะทำความสว่างให้เราจะปลอดภัยในตกหลุมตกบอก่อโดนหลักโดนตอกคนไม่มีไฟไปในที่มืด ในปลอดภัยเราถกไปกว่าทํานองเดียวกันให้หาไฟคือธรรมะ <c oughs> มาจุดมารักษาเอาไว้สี่ใจของเราอะไรเกิดขึ้นผ่านมาหากไม่เป็นสาระประโยชน์ควรถอดทิ้งปล่อยวางไปเสียอย่าไปเกาะกกยหอบหิว้วเอาทุกสิ่งทุกอย่างพโลกอันนี้มันสมบูรณ์มีทั้งชั่วทั้งดี หาคนไม่ฉลาดมันก็ไม่สามารถที่จะเลือกเฟ้นหาของดีได้มะพร้าวมันก็ยังมีทั้งเปลือกทั้งกลาแล้วก็ทั้งเนื้อทั้งน้ำของมันเราจะกินทั้งลูกมันก็ไม่ไมีรสชาติอะไรเปลือกกลาของมันอาจจะเป็นชิดเป็นภัยต่อธาตุต่อขันก็เป็นไดน้นี่เรื่องในโลกก็เหมือนกันคนมีปัญญาเท่านั้นที่จะได้เสียบ แต่ความสุขความสงบความสบายคนไม่มีปัญญาก็ไม่สามารถที่จะหลบหลีกตีกตัวออกจากเรื่องชั่วเรื่องกิเลสตันหาได้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นเสียบเหมือนไฟสาหรับส่องโผล่ไปว่าอะไรดีชั่วผิดถูกมันจะได้เห็นจะได้หยิบถูกถ้าไม่มีไฟเราอยู่ในที่มืดจะจับอันนั้นจับอันนี้คนไม่ทราบว่ามันอยู่ที่ไหนบางที ขาไปอาจจะไปถูกสิ่งทีดแหลมถีดคมหรือสารพิษก็ได้แต่นั้นจงนำธรรมะของพระพุทธจจเจ้าคือไฟเขไวไ้ปจำใจของตัวอะไรเกิดขึ้นผ่านมาทีนี้พี่ารนะด้วยสติปัญญาเห็นว่าจะนำคุณค่าสารประโยชน์มาให้ทำกายทำใจให้สงบสุขจง หยิบยกเอาอันนั้นมาไว้สียงใดที่เป็นเรียนเป็นภัยทำตัวของตัวและคนอื่นสัตว์อื่นให้เดือดร้อนหยิบปัดเ่าออกไปกำจัดออกไปเมื่อเรามีสติมีปัญญามีธรรมะมีปชิตคือทำไวในใจของตัวส่องสว่างอยู่ทุกการทุกเวลาอะไรผ่านมา เัวดีรู้อย่างนั้นเราก็จะมีเรื่องสุขเรื่องสบายเพราะไม่ไะเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เป็นทุกข์เป็นโทษสิ่งใดที่เป็นประโยชน์เรากอบควยกัทบทาบำเพ็ญมีอะไรชื่อว่าคนฉลาดมีคว า, ามสงบมีคว า, ามสุขตามฐานะนาทีของตัวธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ได้มีอยู่ที่อื่น ถือว่ารูปว่าธรรมนามะธรรมอรูปกายอันนี้เป็นธรรมถ้าพิจารณาให้เป็นธรรมถ้าพิจารณาให้เป็นกิเลสมันก็เป็นกิเลสนามะธรรมก็คือเวท น, นาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งมีอยู่ในส่วนเราท่านที่ยังไม่ตายทุกคนจงนําไปที่นี้พิจารณาศึกษาอยู่ภายในของตนต่างคนต่างศึกษารู้เข้าใจในธรรมะ รูปธรรนามธรรมถั่วถึงเท่าไรเรื่องพระพุทธเจ้าหรืออริยเจ้าที่ดับขันประดิษฐานไปท่านมีความสงบมีความสุขอย่างไรถึงเราไม่มองเห็นหน้าตาของท่านก่อตามแต่ธรรมะที่เกิดขึ้นกับจิตกับใจของเรานั้นไม่มีอะไรที่จะสงสัยความบริสุทธิ์สมัยนั้นกับความบริสุทธิ์สมัยนี้ ผิตแปกแตกต่างกันอย่างไรนี่แหละพระพุทธเจ้าถือว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราสัทธาคตคือความบริสุทธิ์ของจิตมันเหมือนกันไม่มีอะไรจิตแปกแตกต่างกันไม่ว่าสมัยปัจจุบันหรือสมัยพุทธกาลหรืออนาคตยังไม่ถึงธรรมะมันเหมือนกันเสมอตนเสมอตายอยู่ตลอดเวลาขอให้พวกเรานําไปทินิจิจาณาศึกษาตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติ ผลที่เกิดขึ้นก็คือความสุขความสงบความสว่างความสวัยในกายในใจของตัวนี่คือผลฐีละความชั่วบาเพ็ญความดีประพฤติาตามธรรมาของมกข์พรธเจใ้าทุกคนจะเห็นจะเย็นจะสะงบเพราะอาศัยธรรมะเขารักษาแต่นั้นขอทุกคนที่ได้สะดับรับฟังรงนาไปที่นิพพานนเมื่อเห็นว่าถูกต้อง ตามคำนอ ง, องของธรรมของลงมือต่อพื่ปฏิบัติตามต่อแต่นั้นไปความสุขความเจริญก็จะเกิดขึ้นแก่ทุกท่านการอธิบายธรรมะเห็นว่าพอท้งกตรียมเวลาขาจอจิติเพียงแค่นี้เอวัง